แสดงออกซึ่งความองอาจกล้าหาญในทางร่างกายแล้วทางจิตทางใจก็ไม่ให้คิดพุ่งซ่านไปที่อื่นจึงมีบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ในใจรวมจิตรวมใจของตนในเข้ามาภายในไม่ให้อยู่ภายนอก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 ไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับเรื่องใดๆทั้งหมดให้ดูตัวอย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรูลเป็นพระพุทธ เ, ทเจ้านั้นเรียกว่าเป็นตัวอย่างอันดี เวลาท่านนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งขัดสมาธิเพชรแล้วจิตใจของพระองค์ก็เป็นเพชรด้วยแร้ ว, ว่าแข็งแกร่งไม่มีความย่อท่อต่อทุกขภัยต่างๆนานาได้ ว, วันนั่งเหมือนตอไม้ไม่มีความ ง่วงหลับง่วงนอนเหมือนพวกเราถ้าหาว่าพระพุทธเจ้าไปมว น, นั่งหลับเหมือนพวกเราที่ไหนจะได้ตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์บำเพ็ญทานรักษาฉินภาวนาสร้างบุญบารมีมาก่าเดีก พระองค์ตั้งอกตั้งใจประกอบกระทาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำเล่นๆเหมือนพวกเราทั้งหลายเรียกว่าทำจริงๆปฏิบัติจริงๆทำอะไรเมื่อมันมีความจริงในจิตในใจละ่ะอันนั้นแหละสมาธิภาวนามันอยู่ที่จิตใจทำจริงๆภาวนาจริงๆ ม่ใช่ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นเราจะคิดไปที่ไหนก็คิดฟุ้งซ่านไปอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีหลักจิตใจของตัวเองไม่มีอธิษฐานไวในจิตในใจต้องมีสัจจะความจริงใจมีอธิษฐานใจไวสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัย ต้องให้ทำได้อย่างชั่วคณะที่เราฟังทำนั่งสมาธิเป็นเวลาตั้งใจเป็นพิเศษกิเลสอันใดที่มันยุ่งเยิงอยู่ในจิตในใจจงปล่อยวางตัดให้มันขาดออกไปให้หมดสิน้นให้ทำเหมือนคนตาย ธรรมดาคนตายเขาไม่วุ่นวายเหมือนคนเป็นคนเป็นนั่นมันเรื่องมากความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรทุกอย่างทุกเรื่อการกิปาถะนับไม่ถ้วนอันนี้มันเรื่องคนเป็นคนตายเน่เขาไม่เกี่ยวข้องผัวพัน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 เป็นอันว่าเราทุกดวงใจต้องลุกขึ้นต่อสู้ภาวานาพุทโธในใจรวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวานาไม่ใช่เพียงแต่ว่าหูฟังใจฟุ้งซ่านหูได้ยินใจไม่ได้ยินอย่างนี้ไม่ได้กาย วาจาใจเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาต้องรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อกายนั่งขับสมาธิภาวนาใจก็ขับสมาธิภาวนาภายในตั้งใจลงไปให้มั่นคง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 ยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นนอกจากรักษาสิ้นห้าสิ้นแปดสิ้นสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วก็ต้องมีการนั่งสมาธิภาวนาให้มันมีความเข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับลำดับ บวชมาหลายปีได้แต่อายุได้แต่พรรษาสติปัญญาวิชาความรู้ในจิตในใจมันไม่ก้าวหน้ามันถอยหลังเข้าครองอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเลื่อลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นท่านภาว น, นา ท่านมีความก้าวหน้าไปไม่ไม่ใช่ถอยหลังเข้าครองภาวนาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ให้มันก้าวไปโดยลําดับลําดับความเกียจค้านท่อถอยความทอดแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจไม่ให้มีในใจของผู้ปฏิบัติให้มีความก้าวหน้าจเจริญไป ดูตัวอย่างพระพุทธเจา้าพระองค์ทำก้าวหน้าให้เราท่านทางหลายเห็นอย่างว่าวันที่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาในวันเดือนหกเพนเดือนหกเพนหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงของเดือนนั้นพระจันทร์เต็มดวงนั้น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 ว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ท้อแท่อ่อนแอในหัวใจจะเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือแทงไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายก็ยอมตายในที่นั่งนี้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 ไม่ใช่ว่าจะไปหลับไปไหลมัวเมาไปตึงเหมือนก่อนๆจิตใจของพระองค์เรียกว่าลุกขึ้นเต็มที่ไม่ใช่อยู่ในที่เก่าเรืยว่าตายก็ยอมตายจะมีภัยอันตรายพ้องพานเข้ามาก็ไม่กลัวเพราะพระองค์ได้เสียสละตายลงไปแล้ว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 กิเลสมารสังขารมารท่านก็รู้เท่าทันแต่ว่าท่านลุกขึ้นต่อสู้ในใจไม่เฉพาะแต่ในใจทางกายท่านก็สู้ด้วยท่านไม่ลบหลีกเวลามารกิเลสขันธมารเมื่อความเจ็บปวดทุกภเวทนา บางเกิดมีขึ้นในสังขารล่างตายพระองค์ก็ไม่เข้ามายึดมาถือว่าพระองค์เป็นผู้เจ็บธาตุดินเขาเจ็บช่างมันท่านว่าอย่างนั้นธาตุน้ำเขาเจ็บช่างมันท่านว่าอย่างนั้นธาตุไฟธาตุลมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยต่างหา เขาเกิดตั้งอยู่อีกไม่นานเขาก็แตกดับไปตั้งหาจเจตใจของพระองค์ไม่ไหววันพลันพึงตายก็ให้ตายด้วยการหมดกิเลสลาคะโทสะโมหะไม่เส่ตายเลี่ยลาดเหมือนคนเราในโลกคนเราในโลกเรียกว่าตายเลี่ยตายลาดตาย ทับทากจากของรักของชอบใจวุ่นวายไม่มีจิตใจอันผ่องใสสะอาดเพราะไม่ภาวานาทำความเพียรละกิเลสในจิตในใจเหมือนพระพุท ธ, ธเจ้าเหนั้นการนั่งสมาธิภาวานาเราท่านทั้งหลายให้พากันลำลึกเตือนจิตเตือนใจของตัวเองขึ้นมา อย่าไปเพียงแต่ว่าทำอะไรก็ทำได้แบบบุมลมบุลานเท่านั้นพอเป็นพิธีการปล่อยปาละเลยขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิจิตตั้งมัน่นขาดปัญญาความเฉลียวฉลาดความสามารถในจิตในใจยอมไม่ได้ไม่ถึงเป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจา้าในวันที่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาจะได้ตรัสรล้นั้นเรียว่าแข็งแกร่งทุกอย่างทานพระองค์ก็บำเพ็ญมาได้สูงสุดเต็มที่ศสีลพระองค์ก็บำเพ็ญมา เนคขมะบาลมีเว้นจากกามเว้นจากผู้ครองเลือนถ้าองค์ก็เป็นบำเพ็นมาแข็งแกร่งที่สุดไม่มีกระแสจิตอันใดที่จะแสสายไปหากามมาคุณากามมากิเลสอีกแล้ววันเนคขมมออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจจริงๆ ทั้งภายนอกทั้งภายในด้วยเรียว่าเลขคัมมะออกไม่เข้าไปหาใครเมีสมาธิตั้งมั่นลงไปในใจและพระองค์บำเพ็ญปัญญาเรียก ว, ว่าความฉลาดความเฉลียวความฉลาดความสามารถอาจหาเป็นจิตใจอันแหลมคม ทะลุปูปลงทุกอย่างทุกประการท่านไม่ยอมให้สิ่งใดมาพ้องผ่านให้จิตใจหลงไหลต่อไปได้อีกถ้าเปียบเหมือนแหลมก็เรียกว่าเหมือนเข็มเย็บผ้าจะเป็นเข็มจักเข็มเย็บมือก็าตามแทงทะลุไปได้ในผ้าชั้นได้ กิเลสในใจของพระองค์พระองค์แทงทะลุได้หมดไม่ยอมให้มันลหลงไหลต่อไปอีกเร้วว่าปัญญาความสอดส่องทุกอย่างทุกประการไม่ใช่คำพูดแต่มันเป็นในใจเจตใจของพระองค์มีความแน่วแน่มัน่นคงไม่ลหลงไหลจริงๆ เจนีความพาดความเพียรความพยายามท่านก็ไม่ทอแท่อ่อนแอในดวงใจแด้ว่าตั้งใจอย่างไรก็ตั้งใจอย่างนั้นภาวนาอย่างไรท่านก็เอาจริงอย่างนั้นเมื่อเลือกทำภาวนาอนาปานุสติกรรมฐานได้แล้วพระองค์ก็มั่นใจทุกลมหายใจเข้าออก ตามรู้อยู่ในดวงใจว่าลมผ่านเข้าไปยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดตามรู้อยู่ในที่นั้นลมออกมายาวสั้นหยาบละเอียดตามรู้อยู่ในดวงกิดดวงใจไม่ใช่โลเลหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายนำใจของประพุทธิยา แนวโยที่อนาปาลมหายใจจนกระทั่งจิตใจที่ล่วไหลไปอย่างก่อนๆไม่มีดวงจิตผู้รู้โยที่ไหนพระองค์ตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นจนเห็นแจ้งชัดโยในจุดจิตใจของพระองค์ว่านอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่นี่ออกไปทั้งหมดทั้งมวล ไม่เที่ยงทั้งหมดเป็นทุกทั้งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นชื่อว่าสังขารทางหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดจิตของพระองค์ก็บริสุทธิ์ทองใสสะอาดปราศจากกิเลสเรียว่านั่งใจเบากายเบาไม่ใช่นั่งหนักนั่งเบานั่งสบาย คุกเวทนาสุ ข, ขเวทนาเฉยเฉยเวทนาเข้ามาคุกคามจิตใจของพระองค์ไม่ได้เจตใจของพระองค์แล้วว่าสูงส่งสามารถอาหานมีความอดความทนมีความสักด์ความจริงมีสัก์จะอธิฐานมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา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 ท่านไม่ลหลงไหลไปกับอารมณ์เรื่องราวเหล่านี้ท่านแจ้งในอกในใจอยู่แต่ ว, ว่าแจ้งใจไม่ใช่แจ้งลืนตาไม่ใช่แจ้งดวงพธธระิทักษันไม่ใช่แจ้งดวงไฟฟ้าไม่ใช่แจ้งดวงไฟใจมันแจ้งใจมันแจ้งชัดว่า มีรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ที่ไหนก็ต้องมีความทุกอย่างนี้อย่างนี้เห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เจต่าได้มาหลงไหลนามพระไทยใจพระพุทธเจ้าก็ย่อมสงบระงับ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 ใครจะนั่งมากน้อยขนาดไหนก็ตามแผ่นดินก็ตั้งมั่นอยู่นามประไทยใจพระพุทธิจะมีความตั้งมั่นอยู่ในสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงสามารถอฐานตัดบวงห่วงอาลายัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิ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 จิตใจของพระองค์ไม่ไหวหวันท่านพึงไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเรียกว่าพระองค์ตัดได้ขาดมีจิตสามารถอจหารจริงๆฉ่นั้นเราทุกลมหายใจเข้าหายใจออกยาได้มัวเมาประมาทมรนังเมพวิสติเราต้องตาย เราต้องตายภายในร้อยปีไม่มีบุคคลใดจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ตายไม่มีเราเกิดมาอย่างนี้แล้วชลาพยาธิมันติดตามอยู่ตลอดการเมื่อชลาความแก่พยาธิความเจ็บไข้มาเตือนเราท่านทั้งหลายเป็นข่าวๆอยู่ มรณงเมภาวิสติเราต้องตายนั้นมันเป็นความแน่นอนไม่มีใครจะผลัดวันประกันพุ่งได้บางคนก็ล่องขอจากพยามัจจุราชคือความตายว่าข้าพระเจ้ายังเด็กดุงยังไม่อยากตายขอไว้อย่าให้ตายมันได้ที่ไหน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 มรณงเมภาวิตสตินึกให้ได้เจริญให้ได้เพราะว่ากรรมฐานข้อนี้นั้นผู้ใดเจริญจนทราบซึ่งตึงใจในหัวใจผู้รู้อันนั้นเต็มไปด้วยมรณะกรรมฐานจิตใจดวงนั้นจะมีความสลดสังเวในความตายนั้น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 ให้เข้าใจว่านั่นแหละใกล้ที่สุดถ้าท่าลดความลดชนกันเขามาณากรรมฐานมันไม่จะไม่ใช่คำพูดเลยมันจะแหลกลานไปถ้าคนเคยไปเห็นที่เขาเกิดอุปัตตวเหตุมันจะไม่ใช่คำพูดแแล้ว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 เราอย่าไปเข้าใจว่าวันคืนเดือนปีปีนั่นปีนี้เป็นอายุของเรารอบปีกันได้ปีอันนั้นวันคืนเดือนปีนับเอาเท่าไรก็ได้แต่อายุชีวิตจริงๆเนะี่ยมันเหลืออยู่แค่ลมหายใจเท่านี้ถ้าลองลมหายใจจบลงไปหายใจไม่ได้ อะไรจะเกิดขึ้นก็ตายนั่นสินี่แหละทันว่ามะละาลานังเมภวิสติเราต้องตายเมื่อเราตายได้คนอื่นผู้อื่นก็ตายได้เหมือนกันพ่อแม่ปู่ย่าตาพ่ดของเราสามีภรรยาลูกเต่าหลานเหลียก็ตายได้เหมือนกันเมื่อความตายเช่นนั้นเข้ามาถึง ตัวเราใจเราใจเราจะเป็นอย่างไรก็วันไหวสิเพราะไม่ตั้งใจภาวานาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ลงไปก็จะมาล่องคางให้ความตายก็ยังไม่สมควรเลยยังเด็กอยู่ ทำไมมาตายก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้นมีอยู่อย่างเดียวผู้ใดยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างขณะนี้เวลานี้เป็นสิทธิของเราที่จะต้องภาวนาบริกรรมทําใจให้สงบตั้งมัน่น เมื่อเราจดจำอะไรไม่ได้ก็พุทธโธคุณพระพุทธเจ้าทำโมคุณพระธรรมสังโฆ ค, คุณพระอริยสงฆ์เนกได้ขอด้อใดสิ่งใดก็น้อมเนกลำลึกขึ้นมาในจิตในใจนี้ให้ได้ตลอดเวลากลางวันก็มันได้ตลอดเวลากลางคืนก็ให้ได้ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าทรงตัดไร้แล้ววะเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะถ้าไม่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเป็นผู้ประมาทผู้ได้ประมาทชื่อว่าเป็นผู้ไม่เจริญผู้ไม่ประมาทนั้นทันว่า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 จนพระอัญญาโกนัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาปันติผลเป็นพระอริยบุคคลเกิดขึ้นในพุทธศาสนานั่ น, นแหละคือว่าท่านตั้งใจใจท่านตั้งใจไม่นอนเมื่อใจใครไม่ตั้งใจนอนกายมันก็นอนมันก็หลับไปตามความหลงอันนั้น ต้องกายก็ไม่ให้หลับตื่นโยใจก็ไม่ให้หลับไม่ให้หลงรู้สึกสํานึกโยในใจนี้ตลอดกาลความสามารถอาจถามในใจก็ไอยมียทุกเวลาเวลาเล่นไม่ให้มีเวลาหัวเลาะเคลิดเพลิพลนไม่ให้มีมีแต่เวลาภาวนานะตั้งใจ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 ให้ดวงจิตดวงใจดวงนี้มีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวสันสะเทือนเนววมีสติอยู่ในดวงใจมีสติเต็นที่ละลึกได้โยทุกเวลาเมื่อมีสติละลึกได้โยทีไหน สมาธิก็ตั้งมั่นลงไปได้ในที่นั้นปัญญายานก็ย่อมเกิดขึ้นที่นั้นยานอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ได้มาจากที่อื่นที่อื่นไม่มีมันมีอยู่วัาใจคนเหานี้เอง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 พอปฏิบัติอันใดที่เป็นไปเพื่อละกอิเลตลาคะโทสะโมหะก็ให้รีบทำรีบปฏิบัติอย่าไปรอคนนั่นอย่าไปรอคนนี้ตัวใครตัวมันเวลาเกิดมานไปรอพร้อมไข่เวลาแก่ชราไปรอพร้อมไข่เวลาเจ็บไข่ได้ป่วยไปรอไข่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 ก็ย่อมเข้าใจในธรรมะปฏิบัติมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรก็ไม่ไปยึดถือเจ็บอะไรมันไม่ถึงตายมันไปถึงแค่ตายเนอะมันไม่เลยตายไปได้จะไปวันไหวทำไมวันไหวแล้วมันได้อะไรเจ็บข่าก็ไม่วันไหว ตายข้าก็ไม่หวั่นไหวเมื่อตายไม่หวั่นไหวแล้วไม่มีอะไรที่จะเหลือนั่นไปได้คอนเรานั้นคือว่าความอดทนความตั้งใจไม่มั่นคงพอยังไม่ถึงตายมันก็บ่นว่าตายแล้วตายแล้วนะคือว่าใจมันกลัวตายกลัวแล้วมันไม่ตายหรือ คนกลัวตายแลวมันไม่ตายเลยความตายมันเป็นหลักกรรมฐานที่จะต้องรู้ภายในที่จะต้องเห็นแจ้งปัจจัตตังจำเพาะจิตของตัวเองอะไรมันตายอะไรมันเหลือตา่างธาตุดินมันตายธาตุน้ำมันตายธาตุไฟธาตุลมมันตาย ใจมันไม่ตายวุ่นวายอยู่ในโลกในวัฏฏะสงสารวุ่นวายอยู่ในกามมาพบลูกประพบอุลุประ พ, พบวุ่นวายอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเจตมันจะไปตายอย่างไรจิตมันไม่ตายเมื่อจิตไม่ตายเราจะไปกลัวมันทำไม นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจให้มันเต็มที่ร่างกายสังขารมันเป็นเพียงโลกประขันมีเหตุปัจจัยให้เกิดมีขึ้นมันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นจเจริญวัยใหญ่โตมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง อีกไม่นานมันก็ชำรุดชุดโทมไปตามสังขาร น, นั้นๆผลที่สุดโลกประขันนี้มันเกิดมาจากผืนแผ่นดินเวลามันตายก็ทับถมแผ่นดินเผาไฟก็เป็นเท่าเป็นฐานเป็นแผ่นดินฝังดินก็ถมแผ่นดินอยู่ในนี้แหละ จ็ตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอย่าได้มากลัวหวาดสะดุ้งต่อมารสังขารมันโกหกพกลมมันหลอกลวงมันทำให้ใจิตใจหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ตลอดกาลเวลาขณะนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญ ของนักปฏิบัติธรรมะไม่มีใครที่จะไปช่วยบุคคลผู้อื่นได้ด้วยการตัวเองไม่ภาวนานัไม่ได้แลวว่าตนเองเป็นที่พึ่งตัวเองอตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนบำเพ็ญภาวนา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 ด้วยกิเลสลาคะมันกระทบมากิเลสโทสะกระทบมากิเลสโมหะกระทบมาจิตจะไม่หวั่นไหวสันสะเทือนไม่มีความสะทกสะทานย่านกลัวต่อภัยอันตรายเหล่านี้คือภาวนาให้มันข้ามไปพ้นไปแล้ว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 เวลาเดินจมกลมเวลาเดินเวลาไปเวลามาอย่างไรก็ตามจิตใจผู้ตั้งมั่นในสมาธิภาวนานี่จะไม่มีวันทลั่งเผลอลุ่มหลงมัวเมาเป็นจิตใจอันแน่วแน่เด็ดขาดอยู่ในตัวในใจของตัวเองนั่งใจก็สบายนอนใจก็สบายยืนใจก็สบาย เดินไปไหนมาไหนจิตใจก็แสดงความสบายแสบดงความองอาจกล้าหาญไม่ต้องรอวันคืนเดือนปีวันคืนเดือนปีมันเป็นสมมติอันนึ่งผู้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทําใจให้สงบตั้งมัน่นภาวนาพุทโธให้มั่นคงในใจเตือนจิตเตือนใจของเราว่า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 ฉะนั้นเมื่อว่าเล่าท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความจเจริญอวังก็มีด้วยประกาชะะนิ ยะถาวะริวาหาปูลาปาลิปุเรนติสัคะังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังลุปกะ ป, ะปะติอิจิตังปติตังตุนังจิตปะเมวะสมิตสตุสัภิปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาะลาัยโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสปิฏิโยวิวัตชันโุ สัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายยโกภวะอะพิวาธนาสิริสนิจังวุธาปจายิโนจ ต, ตาโรโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุ ข, ขังสาลัง